จเจริพท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17กันยายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ทั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเพราะมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความศรัทธาในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคําสอน ที่ตรงกับความจริงสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในสมัยพระพุทธกาลหรือในสมัยปัจจุบันคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการวิโกคือ ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับการกับเวลาคำสอนในสมัยพระพุทธการสอนคนให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้ฉันใดคำสอนในปัจจุบันก็สอนให้คนไปมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นอาการิโก้นั่นเอง ไม่เสื่อมไปตามเวลาเหมือนสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมีความเสื่อมไปตามเวลาของมันร่างกายของคนเราก็ต้องเสื่อมไปตามเวลาสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็ต้องเสื่อมไปตามเวลามีเป็นยุคยุคยุคสุโ ข, ขทัยจเจริญแล้วก็เสื่อม ยุคกยุทธยาจเจริญแล้วก็เสื่อมยุคกรุงศรียุคกรุงทนบุรีจเจริญแล้วก็เสือ่อมต่อไปก็ลิกของกรุงเทพมหานครที่จะต้องเสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาพวกเราจึงควรที่จะเชื่อฝังในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พ่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้โลกเป็นโลกบวิถูรู้ธรรมชาติของโลกว่ามีการเจริญย่อมมีการเสื่อมตามมาเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตของเรานั้นก็มีอยู่4ประการด้วยกันคือลาบ ยศสรรเสริญสุทางตาหูจมูกนิ้นกายธรรมะทั้งสี่ข้อนี้เรียกว่าโลโล ก, กธรรมเป็นธรรมะที่สัตว์โลกที่มาเกิดในโลกจะต้องสัมผัสรับรู้ถ้าไม่ฉลาดก็จะหลงจะยุดจะติด แล้วก็จะต้องเกิดความทุกข์ตามมาเพราะว่าโลกธรรมทั้งสีน่นี้คือลาบยศสรรเสริญสุดไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญและมีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นมีการเจริญลาบก็ต้องมีการเสรื่อมลาบมีการเจริญยศก็ต้องมีการเสรื่อมยศ มีการสรรเสริญก็มีการนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์<ม>เพราะเป็นธรรมชาติของเขาแต่สัตว์โลกส่วนใหญ่มักจะไม่ศึกษาถึงธรรมชาติของลาบยศสรรเสริญสุขกันพอเวลาเจริญได้ลาบยศสรรเสริญสุข ก็ยึดติดอยากจะให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่อยากให้มีการเสือ่อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเกิดการเสือ่อมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็เกิดความว่าวุ่นขุ่น ม, มัวเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สงสอนอยู่ตลอดเวลาให้สัตว์โลกเช่นพวกเรานี้มันพิจารณาความไม่เที่ยงของโลกกรรททั้งสี่ประการนี้ให้เจริญอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าได้ลาบมาแล้วก็ต้องเสื่องลาบไปไม่ช้าก็เร็วเพราะเมื่อเราได้ลาบมาแล้วเราก็อยากจะเอาไปใช้เอาไปซื้อความสุขต่ตางๆ พอเราเอาไปใช้เรื่อยๆแล้วเราไม่สามารถหามาเพิ่มเติมได้ต่อไปลาบที่ได้มาก็จะต้องหมดไปพอหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจบางครั้งก็ไม่ได้ใช้แต่ก็มีเหตุที่ทำให้ต้องเสื่อมไปเช่นถูกขโมยไปถูกช่อโกงไป สูกยึดซับไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอเช่นเดียวกับยศคือตำแหน่ง ต, ตา่างๆมีขึ้นก็มีลงหรือมีการโยก ย, ย้ายโดยเฉพาะข้าราชการนี้ต้องทำใจให้มากๆเพราะเป็นเหมือนลูกฟุตบอลที่เขาจะเตะจะเขียไปตาม จังหวะของเขาถ้ามาถูกเท้าของนักเตะ ค, คนนี้เขาก็จะเตะไปทางนั้นไปเจอนักเตะ ค, คนนั้นเขาก็จะเตะมาทางนี้เวลาเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนการปกครองอผู้ที่ต้องรับข้อกรรมที่จะต้องสัมผัสรับ ร, บรู้ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือข้าราชการต่างๆถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนย น, นายแล้วนายใหม่มาก็อยาจะเอาคนที่นายชอบนายรักมารับใช้คนที่นายไม่รักนายไม่ชอบก็ย้ายไปให้พ้นหูพ้นตานี่คือสภาพของยศเป็นอย่างนี้ตำแหน่งในหน้าที่การงานต่างๆไม่ว่าจะในระบบราชการ หรือระบบเอกชนก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้นเวลาได้ดิบได้ดีก็ดีอกดีใจจนลืมไปว่าจะต้องเสียไปในที่สุดไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าในที่สุดพออายุ60ปีเขาก็จะต้องปลดเกษียณเราไปอยู่ดี หรือไม่เช่นั้นเกิดมีการเปลี่ยนผู้ปกครองเปลี่ยนเจ้านายก็จะมีการโยก ย, ย้ายมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปตามความพอใจของเจ้านายผู้เป็นลูกน้องก็จะต้องทำใจให้ได้ถ้าทำใจไม่ได้ก็จะทุกข์ทรมานใจและอาจจะคิดร้ายไปทำร้าย ผู้อื่นก็ได้ถ้าทำใจไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สัตว์โลกหมั่นพิจารณาความเจริญและความเสื่อมของโลกธรรททั้งสีน่นี้เสมออย่าลืมให้พิจารณาว่าคำสรรเสริญก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้คน ที่เขารักเราชอบเราเขาก็จะสรรเสริญยกย่องเราพรุ่งนี้ถ้าเขาโกรธเราเกลียดเราเขาก็จะด่าเราหรือบางทีต่อหน้าเขาก็จะสรรเสริญพอรับหลังเขาก็จะนินทาเราต้องรับได้ทั้งสองรูปแบบเพราะว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราห้ามไม่ให้เขานินทาเราไม่ได้ เราห้ามไม่ให้เขาสรรเสริญเราไม่ได้เราควรที่จะรับเขาเหมือนกับเรารับฝนฟ้าอากาศที่เราห้ามไม่ได้ฝนตกแดดออกเราห้ามไม่ได้ฉันใดสรรเสริญนินทาเราก็ห้ามไม่ได้ฉันนั้นอย่าไปหลงดี๊ดีใจกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาขอให้ใช้ เหตุผลพิจารณาดูคำสรรเสรินและนิยธรรมว่าเป็นความจริงหรือไม่จะดีกว่าถ้าคำสรรเสวนนั้นเป็นคำคำจริงความจริงก็แสดงว่าคนพูดนี้พูดจากความจริงพูดจากเหตุผลไม่ได้พูดจากอารมณ์ถ้าเขาพูดไม่จริง ส, ะะสรรเสวนเรา ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็สแสดงว่าเขาต้องมีอคติอย่างใดอย่างหนึ่งภายในใจเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าเพราะว่าธรรมดาคนเราเวลาอยากจะได้อะไรจากใครก็มักจะพูดดีๆเอาอกเอาใจพอเขาดีใจก็เลยศกอกาศขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ อย่นี้ถ้าเราฟังด้วยเหตุด้วยผลเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเราจะรู้ทันว่าเขากําลังมาไม่ไหนแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาขออะไรถ้าเราเห็นว่าไม่เป็นสิ่งที่จําเป็นหรือไม่อยู่ในฐานะที่เราจะต้องทําให้เขาเราก็ปฏิเสธไปได้ไม่ต้องเกรงใจเขาแต่ถ้าเราไม่ใช้เหตุผลฟัง เวลาเขาสรรเสินเราเราก็จะเกิดความเปลีนใจพอเขาขออะไรเราเราก็เลยปฏิเสธไม่ออก mm hmm. เช่นเดียวกับการนินทาก็เช่นเดียวกันเราควรจะฟังเหตุผล mm hmm. ว่าสิ่งที่เขานินทาเรานี้เป็นความจริงหรือไม่ mm hmm. ถ้าไม่เป็นความจริง mm hmm. ก็แสดงว่าเขาพูดจากความ ไม่พอใจหรือพูดจากความมืดบอดตาบอดเราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าสิ่งที่เขาทำนิยตียนี้เป็นความจริงท่านก็บอกว่าเราควรจะขอบใจเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกระจกสองเงนาให้เราเห็นภาพที่แท้จริงของเรา เพราะบางทีเรามักจะมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีของเราเรามักจะเห็นแต่ส่วนที่ดีของเราพอมีคนมาพูดถึงส่วนที่ไม่ดีถ้าเราเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เป็นคนที่ไม่มีเหตุมีผลเราก็จะเสียใจหรือเราจะโกรธเขาได้แต่ถ้าเราฝึก ฟังด้วยเหตุด้วยผลเราจะได้รับประโยชน์ถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเช่นเขาพูดว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราพิจารณาตามที่เขาพูดถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดเราจะได้แก้ไขได้เมื่อเราได้แก้ไขแล้วเราก็จะทำให้ตัวเรานั้นดีขึ้นนะ ก็เราได้แก้สิ่งที่ไม่ดีในตัวเราให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาท่านถึงบอกว่าคนที่เขาบอกความจริงกับเราถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงที่เราไม่ชอบฟังท่านก็บอกว่าเป็นเหมือนการชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเราควรที่จะขอบคุณเขาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มีความเมตตาปรนณาต่อเราท่านมักจะว่ากล่าวตักเตือนเราเพราะว่าท่านมีสายตาที่ไกลกว่าเราท่านมีประสบ ป, ประการณ์ผ่านมามากกว่าเราท่านเห็นการกระทำของเราก็รู้ทันทีว่าเป็นการกระทาที่จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อไปท่านก็ว่ากล่าวตักเตือน เช่นถ้าเราไปดื่มสุรายาเมาไปเที่ยวค่ำคืนไปเล่นการพนันท่านก็จะว่ากล่าวตักเตือนเราเพราะท่านกลัวว่าถ้าไม่บอกเราอาจจะไม่รู้และเราอาจจะทำไปด้วยความเห็นผิดเป็นชอบคิดว่าเป็นวิธีทางที่นำไปสู่ความสุขความเจริญ แต่นักฝากทั้งหลายในโลกนี้ได้เห็นแล้วว่าการกระทาเหล่านี้เช่นเสพสุราย า, าเที่ยวกลางคืนเล่นกา ร, ระนันมีความเกลียดครางคบคนชั่วเป็นนิดนี้เป็นทางไปสู่ความหายนณะไปทางสู่ความเสื่อมเสียต่างๆท่านเรียกว่าอบายามุก อบายก็คือที่ไปที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียมุกก็แปลว่าประตูหรือทางเข้าออผู้ที่เกี่ยวข้องกับอบายมุกก็เป็นเหมือนผู้ที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูของอบายนี่เองมีโอกาสที่จะเข้าไปในอบายได้อย่างง่ายดายก็เมื่อไปเสก อบายเบสบอบายยังนุกแล้วเช่นในเล่นการพนันเสพสุราดื่มสุราเที่ยวกงคืนมีความเกลียดค้านคบคนชั่วเป็นมิตรก็จะเป็นการดูดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้หมดไปนั่นเองไม่ได้เป็นการเพิ่มทุนให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากขึ้น เมื่อหมดแล้วไม่พอใช้ก็จะต้องไปทาบาปทำกรรมไปโกหกหลอกลวงเพื่อคู้หนี้ยืมสินเข้ามาไปลักขโมยและอาจจะต้องไปฆ่าผู้อื่นเช่นเวลาไปลักขโมยไปพ้นธนาคารแล้วมีเกิดการต่อสู้กันขึ้นมาก็อาจจะต้องฆ่าผู้อื่นถ้าได้ทำบาปเหล่านี้แล้ว ท่านก็บอกว่าใจได้ตกเข้าไปในอาบายแล้วไดเป็นเปรตแล้วได้เป็นเดรัจฉานแล้วได้เป็นนรกแล้วพอเวลาตายไปก็ต้องไปใช้บาปในอาบายต่อไปนี่คือเรื่องของคำคําตําหนิที่มีคุณมีประโยชน์เป็นเหมือนขุมชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเพราะถ้าเราฟังแล้วเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ เลิกเดิมสุราเลิกเล่นการพนันเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกคบคนชั่วเป็นมิตรเลิกเลิกความเกียจคร้านเราก็จะไม่สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปแต่เรากลับจะมีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นเพราะเราจะมีความกยันหมันเพียนทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทอง และเงินทองที่ได้มาก็จะไม่หมดไปกับอบายมุกต่างๆเราก็จะกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ไม่เชื่อลองศึกษาดูประวัติของพวกที่เป็นเศรษฐีกันพวกที่เขารวยขึ้นมาด้วยด้วยำแข่งลำขาของเขาไม่ใช่พวกที่รวยด้วยบุญกก่าคือได้มาเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐี แต่พวกที่เกิดมายากจนแต่เนื่องจากมีความฉลาหรือมีความเชื่อในคำสอนของคนฉลาดเ <_ d ata> ช่นพระพุทธเจ้าก็หลีกเลี่ยงเรื่องอบายามุกต่างๆขยันทำมาหากินเลี้ยงผากเลี้ยงท้องได้เงินมามากน้อยก็เก็บออมกเอาอกไว้หรือเอาไปลงทุนขยายกิจการให้กว้างขวางให้ใหญ่โต ข, ขึ้นไปตามลำดับ จนกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาธนาคารต่างๆในประเทศไทยของเราที่มีสาขากันมากมายตอนที่เริ่มต้นเขาก็มีเพียงสาขาเดียวแต่เขาก็สามารถขยายสาขาออกไปได้เพราะเวลาเขาได้กําไรเขาไม่เอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยเขาไม่เอาไปเที่ยวคลางคืนเขาไม่เอาไปเสพสุรายยามาเอาไปเล่นการพนัน เขาเอามาขยายกิจการให้กวา้างขวางให้ใหญ่โตขึ้นไปจนมีสาขาเป็นร้อยสา ข, าขาขึ้นมานี่ก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อคำสอนของนักตราร์เช่นพระพุทธเจ้านี่เองคือไม่ไปเกี่ยวข้องกับอวัยมุกต่างๆดังนั้นเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่เช่นบิดามันดาครูบาอาจาร สอนให้พวกเราอย่าไปยุ่งกับอบายมุกทั้งหลายเราก็ควรจะเชื่ออย่าไปโกรธท่านถ้าเราดืสุราอยู่แล้วท่านบอกว่าให้เลิกดุ่งก็ควรที่จะเลิกดื้อให้ได้เพราะสุรานี้เป็นแต่โทษ ต, ต่อร่างกายและจิตใจทําให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคร้ายที่จะทําให้ ตายก่อนไวัยได้แล้วทำลายจิตใจเวลาเสร็จแล้วก็จะไม่มีสติไม่มีวิสิ่ง์ที่จะมาคอยยับยั้งความคิดที่ไม่ดีที่มักจะผุดตามขึ้นมาก็จะทำให้ไปทำบาป ท, ทำกันไปพูดจาหยาบคายไปทะเลาะวิวาไปทุบตีไปฆ่าผู้อื่นได้หรือไปลักทรัพย์ไปข้้น ไปทําบาปทํากรรมพวกที่จะไปทําบาปนี้เขามักจะเด่นสุราเพื่อเป็นการย้อมใจเพื่อเป็นการดับความสํานึกจิตสํานึกที่ดีเพื่อจิตใจจะได้มีความเหี้ยมโหด ท, ทารุณดุรา้ายสุราจึงเป็นอันตรายต่อความสุขและความเจริญของคนที่ปรารถนา ความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองนี่คือเรื่องการตําห์ติดเตียนที่พวกเราไม่ควรที่จะปฏิเสธควรที่จะน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติให้ได้แล้วชีวิตของเราก็จะได้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วท่านก็สอนให้เราพิจารณาถึงความสุข ที่พวกเรามีกันนี้ว่าเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะเป็นความสุขที่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความสุขที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราชอบอกชอบใจเราก็จะมีความสุขเวลาที่เราต้องสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ที่เราไม่ชอบใจเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาความสุขทางนี้จึงเป็นความสุขที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับกันไประหว่างสุขกับทุกข์เวลาได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบใจก็มีความสุขเวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความเสียอกเสียใจ เช่นเวลาสูญเสียภรรยาสามีคู่ครองไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นม า, <อ>าเกิดความว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาหรือเวลาอยากที่จะออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าไม่ได้ออกไปก็จ<อ>ะเกิดความทุกข์ใจขึ้นม า, <อ>าเกิดความว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาเพราะเราอาศัย รูปเสียงกลินลรสโพธิภพชนิดต่างๆมาเป็นเครื่องมือให้ให้ความสุขกาแต่การที่จะได้เสก ร, รูปเสียงกลินลรสโพธิภพนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้เสกบางทีก็ไม่ได้เสกขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเช่นเงินทองถ้าไม่มีเงินทองอยากจะออกไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้ อยากจะซื้อของใหม่ๆมาเสพก็เสพไม่ได้เพราะไม่มีเงินทอนดังนั้นเราต้องพิจารณาแล้วก็อย่าประยึดความสุขแบบนี้ควรหาความสุขทดแทนมาแทนความสุขแบบนี้จะดีกว่าซึ่งมีและเป็นความสุขที่แท้จริง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้นั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจของเราให้สงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายนัตติสันติปารังสุขขังไม่มีสุขอย่างอื่นที่จะดีหรือเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ นี่คือเรื่องที่พวกเราควรที่จะหาหรือสร้างมันขึ้นมาคือความสุขภายในใจพยายามตัดความสุขทางราบยศสรรเสริญทางตาทางหูทางจมูกทางร่้นกายให้ออกไปอย่าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เพราะจะทำให้เราต้องทุกทรมานใจ เวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเสื่อมหมดไปแต่ความสุขทางใจนี้จะไม่ไม่หมดไปเพราะใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายถ้าเรารู้จักสร้างความสุขแบบนี้เราจะสามารถสร้างความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดเวลาเสื่อมราบยศสะรรเสริญ สุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะมีความสุขที่ดีกว่าคอยรองรับเพราะคอยดูแลเราเช่นถ้าเราออกไปข้างนอกไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่มีเงินทองเราอยู่บ้านทำใจให้สงบได้เราเจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลเราก็ทำใจของเราให้สงบได้เวลาใกล้ตาย เราก็ทาใจของเราให้สงบได้ทาใจของเราให้มีความสุขได้เพราะความสุขของใจนี้มีอิทธิพลเหนือความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายจะไม่สามารถมาทาใจให้ทุกข์ได้เลยเช่นความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากการตาย ความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสู่ทางตาหูจมูกนิ้นกายจะไม่ทำให้จิตใจของเราทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเราจึงควรหันมาสร้างความสุขแบบนี้กันด้วยการมาวัดเป็นประจำอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากันมาเพื่อมาศึกษาวิธีทําความสุขแบบนี้ แล้วก็ปฏิบัติท่านสอนอยู่สามขั้นด้วยกันคือทานศีลแล้วก็ภาวนาเป็นการสร้างความสุขภายในใจการทำบุญให้ทานอย่างที่ทำกันวันนี้ก็ทำให้มีความสุขใจในระดับหนึ่งเวลาเราได้ช่วยเหลือคนอื่นเวลาเราได้สละข้าวของเงินทองให้คนอื่นเขามีความสุข เราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาแล้วเราก็จะมีจิตใจที่เมตตากรุณาจะไม่ชอบเบียดเบียนจะไม่ชอบซาดไม่จะไม่ชอบทาบาปเราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายเวลาเรามีศีลใจเราก็จะมีความสุขเพราะเราจะไม่ทุกข์ว้าวุ่นขุดมัววิตกกังวลกับการกระทาที่ไม่ดีกับการทำบาปของเรา เพราะเราไม่ได้ทำบาสนั่นเองใจของเราก็จะมีความสุขแล้วถ้าเราสามารถภาวนาได้จเจริญสติได้ควบคุมจิตใจของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านได้ควบคุมระ ง, งับความคิดปรุงแต่งของเราได้ใจของเราก็จะมีความสงบมีความสุขและเป็นความสงบเป็นความสุขที่สูงสุด ในความสุขทั้งสามขั้นนี้ท่านทานก็ดีในระดับหนึ่งขั้นศีลก็ดีเพิ่มมากขึ้นไปนระดับหนึ่งแต่สู้ขั้นภาวนาไม่ได้ขั้นทำใจให้สงบไม่ได้ด้วยการเจริญสติอย่างสม่าเสมอในชีวิตประจาวันพยายามควบคุมความคิดของเราอย่าให้คิดอะไรให้ใจของเรารู้อยู่กับ ก, บการกระทำของร่างกาย อย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดยังนี้หรือถ้าจะคิดก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนเพื่อจะได้ทำให้ความคิดนี้อ่อนกำลังลงไปและนิ่งไปในที่สุดเวลาไม่มีความคิดก็จะเหลือแต่ความรู้คือสติคือใจที่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้ารู้โดยที่ไม่คิดเราก็ไม่ต้องใช้บริกรรมพุทโธ ถ้าไม่สามารถรู้เฉยๆได้รู้ราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ใจคิดเพราะเวลาคิดแล้วจะทำให้เรามีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่จะทำให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปหาลาภยศเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย ถ้าใจเราไม่คิดใจแลา ว, ว่างๆก็จะไม่มีอารมณ์ที่อยากจะไปหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายใจของเราก็จะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับลาบยศสารเสริญสุดต่างๆเพราะเรามีความสุขอยู่ในตัวของเราเวลาใจว่างนี้ใจจะมีความสงบมีความสุขจึงขอให้พวกเราพยายามจเจริญสติให้มาก คอยควบคุมใจให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการกระทาของร่างกายแล้วก็อย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆอย่าไปคิดเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดในเรื่องในอนาคตที่ยังไม่มาอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้วิาพากษ์วิจารณ์เขาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านไปต่อปสู้ทาใจให้ว่างให้สงบ ด้วยการบริการพุโทโธไปจะดีกวา่าแล้วจะมีความสุขจะอยู่เฉยๆได้จะไม่วุ่นวายไปกับการเสื่อมของลาบยศสลเสริญสุขต่างๆจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ถูกโยกย้ายถูกปลดออกรู้ถูกลดตำแหน่งลงไปจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีไม่มีสาระความสำคัญ เพราะเราไม่ได้อาศัยความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลและภาวนาจึงขอให้พวกเราศึกษาให้เข้าใจถึงความสุขที่แท้จริงและพยายามสร้างความสุขที่แท้จริงนี้ให้เกิดขึ้นมาในใจของเรา แล้เราจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับกับความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงก็คือราบยศสรเสริญสุขนี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ตัดความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง และสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในตัวเราต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยืดติดไว้เปลี่ยนท่านีขอผู้สมผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มานบำเพกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนับสุขาภาระ โดยทั่วหน้ากันเธอ